มาขอเล่ากันถึงการป่วยการป่วยในวาระที่สามคราวนี้พ่ะนด้บอกแล้วว่าจาิตใจของพ่อยังเลวอยู่สมัยนั้นที่แย่พูดกันไปทีก็เป็นส ม, มัยที่ยังปรารถนาพระโพธิญาณการปรารถนาพระโพธิญาณ น, นี้ก็รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยจะชอบเรื่องวิปันสนาญาณนัก เราว่าคิดว่าการปรารถนาพระโพธิญาณย่อมไม่มีผลในการไป น, นิพพานแต่แว่าหลวงพ่อปานก็เป็นพระเป็นครูที่มีความฉลาดมากได้แนะนำไม่ว่าเจ้าไม่ชอบสมาวิปัศนาญาณก็ไม่เป็นไรแต่การสอนสมถภาวนาให้จนจบ แต่ว่าวิธีสอนของท่านมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นวิปาาัสสนาญาณด้าพ่อเองพ่อไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสมถะดังนั้นก็บอกูว่าก่อนที่จะภาวนาก่อนที่จะภาวนาได้จับนิมิตอันดับแรกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นอนินจังมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกขงังมันเป็นทุกข์ ร่างกายเป็นนัตตามันต้องสลายตัวไป็นทีิสุดและก็ท่านที่บายด้านวิปั ส, สนาญาณจนละเอียดและก็ท่านก็บอกว่าถ้าทุกครั้งที่ทำกรรมฐานถ้าเธอคิดเธอพิจารณาได้ยอย่างนี้จงทั้งหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยก็ยัออยงดี อย่างนี้แหละจะเป็นอารมณ์ทำให้สมถะมีอารมณ์แจ่มใสแล้วก็สดชื่น <c oughs> นี่เป็นนั้นว่าหลวงพ่อตะให้วิปัสสนาญาณแต่ว่าท่านก็ไม่ไดบอกที่ไม่บอกก็เพราะว่าท่านทราบว่าพ่องโง่เพราะว่าวิปาาัสสนาญาณกับสมถะภาวนากับศีลสามอย่าง ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต้องไปของควบคู่กันไปถ้าไม่มีศีลสมาธิมันก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่มีวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิดเป็นรีบรายการหนึ่งให้ทรงพรมีหารสี่เป็นปกติให้เห็นว่าร่างกายไม่มีความหมายสาหรับเรา ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเป็นนั่นว่าท่านสอนในการตัดสัญโญาตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่มีความสําคัญแต่พ่อเองในขณะนั้นพ่อไม่รู้คิดว่าเป็นสมถาภาวนา <c oughs> แต่ก็ทําอย่างนี้จนทั้งทรงอารมณ์ได้เป็นปกติ ต่มีกิจอันหนึ่งนั่นก็คือนิพพานไม่มีความประสงค์พอสามารถศึกษาจากรูวพ่อปานและก็ท่านส่งไปหาอาจารย์อื่นๆอีกสิบองค์ในด้านสมถะภาวนารู้สึกว่าคล่องตัวดีพอสมควรกรรมฐ า, านสี่สิบไม่มีอะไรเพื่งขัดข้อง แล้วก็มาหาปฏิปทานน่าสุก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องคำว่าไม่ขัดข้องไม่ใช่หมายถึงว่า อ, าอ่านหนังสือจบทำได้แบบส บ, สบายมาตอนนี้มาดูที่กำลังใจอย่างสามการเข้าโรงพยา บ, บาลวันแรกถึงเวลาสองทุ่ม ท้องมันทั้งอืดท้องมันนั่งเสียดมันนั่งขึ้นมาถึงหน้า อ, อกยังกระทั่งนอนไม่ไหวยังบอกให้จ่าพยาบาลมาไขาเตียงให้นั่ง <c oughs> ถ้าไข้เตียงให้นั่งแล้วก็บอกถือว่าไม่เป็นไรถ้ามีอะไรท่านกกดเกรงเรียกเธอออกไปได้แล้วก็ล็อกประตูเสีด้วยเตยก็ปฏิบัติตามเพราะว่าใช่อารมณ์ข่มใจ ให้กำลังเขาอนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจรารณาดูขันห้าตามที่นนปานท่านบอกเห็นว่าขันห้านี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆเพราะลืมเล่าไปนิดหนึ่งว่านับตั้งแต่พอเข้าโรงชยาบาลความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นว่าเวลานี้เราอยู่ที่นี่เราเป็นคนไม่มีอะไร เราสร้างโรงเรียนผ่านมาแล้วสี่สิบหลังเสร็จโดยที่เราไม่ง้อเงินของรัฐบาลสร้างวัดมาแล้วยี่สิบวัดเสร็จเราก็ไม่มีที่จะอยู่ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราจะพึงอยู่ไม่ใช่ที่ที่เราสร้างและรายการที่สองเวลานี้ร่างกายมันจะพังอะไรหนอที่มันเป็นของเราบ้าง ก็มีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่มีสมบัติที่เราสร้างไว้เลยเป็นนว่าถ้าร่างกายของเราตายไปอย่างเดียวสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นเราเป็นของเราจรึงตัดสินใจว่าเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้มันจะตายร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตไม่ก็เป็นุพ อาการอยู่มันก็มีมีความเด็ดร้อนใจสบายร่างกายมันไม่ดีแต่ก็ใจสบาย <c oughs> แต่พอการอืดเสียดมันเกิดขึ้นก็แช่นาปานุสติกรรมฐานเข้าคมเมื่อแช่นาปานุสติเขาขาเขากรรมฐานเขา้าขมเพราะจิตเริ่มเข้าไปสมาธิอาการทุกขเวทนามันคุมเบาเบาวพวกกรวบรวมกําลังใจ ถอยใจขึ้นไปบนชั้นบันดุกับคนศสียลาอาจนีนข้าพระจุลามนีเจดีสถานนวัสการพระอยู่ที่นั่นจนท่านร่างกายมาันสบายแล้วก็ลงลงมาเพราะก็ไม่เรียกจา่ามาไขเตียงลงเพราะก็ลุกไปไขเตียงนอนตามสบายๆนั่นตสบาย <c oughs> เอถึงวันที่สองเวลาสองทุ่มแลือยี่สิบนาฬิกาอาการอย่างนั้นมันก็มาอีกพก็ทำแบบเดิมพอวันที่สามก็คิดว่าเจ้าเวลาสองทุ่มนี่มันคงเล่ก ง, งานแน่พ่อจึงนี้เรียกจ่าให้มาขายเตียงให้นั่งเวลาทุ่มเสร็จแล้วกดล็อกประตูวไว้ แั่นก็บอกก็ถือว่าถ้าหากว่าฉันกดกริ่งค่อยมานะถ้าฉันไม่กดกริ่งก็ไม่ตรงมาตอนนี้ก็เลยตั้งท่าจับอารมณ์สมาธิไว้ก่อนรวบรวมกําลังใจขึ้นไปไหว้พระที่พระจุลามุนีเจดีสถานพอชื่นใจเห็นเวลาจนใกล้สองทุ่มก็กลับมาจะรับสถานการณ์จากเจ้าการอืดเสียด แล้ปรากฏว่าวันนี้นาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มผ่านไปแล้วมันก็ไม่มาแต่ผู้ที่มาแทนที่แปรการเอืดเสียก็เป็นท้าวมหาพรมเือท่านท้าวสามโมดีพรมท่านผู้นี้รู้จักกันเป็นปกติท่านกำมัรายงานบอกว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเรียกให้ไปเฝ้า <c oughs> จะบอกท่านว่าขอให้ท่านเดินไปหน้าจะตามไปข้างหลังท่านออกหน้าท่านผ่านลงนรกผ่านนรกทุกขุมด้วยความรวดเร็วแต่ความจริงพอรู้จักมันหมดพอเข้าถึงแดนพยายมพยาลมท่านวางภารกิจทุกท่านมาต้อนรับเวลานี้รู้สึกว่าร่างกายมันสดสวยเป็นพิเศษ เห็นเขามีเครื่องประดับเราก็มีเครื่องประดับด้วย <c oughs> เขาสวยเราก็สวยด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าผ่านสำนักขมยามยมแล้วก็ผ่านนรกแดนเปรตนาสุ ร, รกายเข้าสู่มหมู่ของสัตติเลฉานผ่านสัมบเวสีผ่านภุมติวดาผ่านนุกติวดา ผ่านอากาศสเทพ ด, ดาทุกชั้นผ่านพรห ม, มทุกชั้นและอรูปพรหมผ่านหมดแล้วพอ ม, มาถึงพรหมท่านที่สิบหกท่านสามมดีพรหมก็บอกว่าทางที่ไปต่อไปนี้เป็นทางของท่านแต่ผู้เดียวผมไม่เกี่ยวกับทางนี้ผมมีหน้าที่มาส่งท่านแค่นี้ความจริงก็เป็นที่อยู่ของท่าน <c oughs> แล้วก็ถามว่าทางนี้จะไปไหนแล้วบอกไปที่พระต้องการจะพบคุณแต่คุณต้องไปแต่พนเดียวมองเห็นทางเป็นทางเส้นเล็กๆคิดว่าจะวางเท้าลงไปมันก็ไม่เท่าเท้าจะว่าเท่าเส้นได้มันก็ไม่ใช่มันจะเป็นประมาณเท่าเส้นเชือกที่ขนาดโตแต่ว่ามันก็เล็กจากเท้า แต่ว่อวางลงไปประโคธทางก็ใหญ่พื้นขึ้นมาทันทีเป็นทางที่กว้างใหญ่ขาวสะอาดเป็นแก้วเป็นประกายแพรวพร้าไปหมดรายการดีพผ่านจากนรกมาถึงสามโมดีพรมพรวมช่านที่สิบอกกำลังกายมันดีทุกอย่างแต่ว่าพอก้าวเข้าไปถูกสามทางนั้นรู้สึกกำลังกายหมด กำลังใจก็ใกล้จะหมดกำลังกายก็ใกล้จะหมดเดินโผเพคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคหรือโรคเรื้อรัง <c oughs> หมดกำลังที่จะเดินก็พยายามทรงตัวเดินเข้าไป <c oughs> พอสุดทางก็เข้าบริเวณใหญ่ <c oughs> เป็นพื้นที่ใหญ่มีบริเวณกว้างมากมีซุ้มหน้าประตู มีกำแพงร้อมรอบหน้าประตูปรากฏว่ามีพรมสี่ท่านแต่ว่าสวยกว่าพรมธรรมดายืนอยู่เข้าไปกับท่านสี่ท่านก็วไหวเดินผ่านเข้าไปภายใ น, หนเห็นพื้นที่เหมือนกับแก้วผสมทองกำแพงประตูวิ ม, มานมีวิ ม, มานอยู่สามหลังมีหอระฆังที่ประดับด้วยแก้วระทอง อยู่ภายนอกเดินไปรอบรอบเพ้นส์สะโปรณีมีที่แท่งแกว้วมีต้นไม้แกว้วมีสวนไม้สวยๆแต่ทุกอย่างที่นี่เป็นแก้วผสมทองไปหมด <c oughs> มันสวยสดงงามในใจก็คิดว่านี่มันวัดอะไรเนาเพราะว่ามันมีความเหลืองอยู่ด้วยนอกจากใสเป็นใบกายแก้วแล้วก็มีเหลืองผสม อิดว่านี่มันที่ไหนอะไรเนอะนี่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็มาแล้ว <c oughs> แต่แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่พรมมันเป็นแดดอะไรเดินไปเดินมาก็มีได้ความเงียบสงัดหาคนสักคนก็ไม่มีเดินไปก็ปรากฏว่าหมดกำลังเลยนอนอยู่ที่หอระรัง จิตใจก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราขึ้นมาทุกครั้งเราต้องพบพระพุทธเจ้าแต่มาที่ตรงนี้เราไม่พบพระพุทธเจ้ามันก็เห็นจะเป็นการหมดความหมายนอนลงไปไปเดี๋ยวเดียวหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกข <c oughs> องเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพร้อมด้วยรัศมีประการ เดินมาแต่ไกลไอ <c oughs> ้องค์สมเร็จไปจอมไตรไม่ได้เข้าทางประตูเข้ามาทางกำแพงพอถึงกำแพงก็รู้สึกวาด <c oughs> กำแพงมันขาดออกจากกันยืดออกพอท่านผ่านเข้ามาแล้วกำแพงมันก็ติด <c oughs> ก็จึงนึกในใจว่าไอ้ที่ตรงนี้นี่มันแปลก มันไม่เหมือนกับที่อื่นกําแพงก็ผ่านกันไม่ได้แต่ที่นี้กําแพงมันหดมันขาดตัวกันได้และก็ต่อกันได้เมื่อท่านก็มาใกล้จึงได้ลงจากเชิงหอระคังท่านก็เสด็จประทับบนพื้นหอระคังและรู้สึกว่าไม่มีแท่นสูง มีท่านต่ตํํๆเป็นดอกบัว ร, รองรับทั้งหมดเป็นดอกบัวแก้วสวยสดมากแล้วท่านก็มีพระบัญชาถามว่าเธออยากจะมานิพพานไหมไม่ได้กราบท่านว่าข้าพระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมานิพพานพระเจ้าค่ะแล้วท่านก็ถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไร กระทูลตอบท่านบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระพุทธเจ้าขาแต่ก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพานท่านถามก่อนว่าเธอผ่านอารมณเธอผ่านผมท่านที่ชั้นที่สิบหกมาแล้วใช่ไหมก็กระทูลนั้นบอกว่าผ่านมาแล้วพี่เจา้า่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรก็ตอบว่าไม่รู้ ท่านกระไดทรตงตัดว่ า, าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพานเธออยากจะมานิพพานไหมก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดจะมาพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเป็นเพราะอะไรก็กราบทูลว่าเป็นเพราะว่าข้าพระเจ้าอ่อนในวิปัสสนาญาณและคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสที่จะถึงนิพพาน สมเด็จพระ毗ชิตามัยก็สรงจัดว่าเวลานี้เธออยู่ที่นิพพานและก็ที่นี่เป็นที่ของเธอเองยังทูลถามว่าเขากล่าวว่านิพพานศูนย์ใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแย้มพระโอดว่าเธอทําไมจงได้เชื่อคนตาบอดไร้ปัญญาอย่างนั้นแต่ทาขดกล่าวไว้ว่านิพพานนังประมังศูนย์อย่าง นิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแล้วก็นิพพานนางประมังสุขรังถ้านิพพานมีสภาพศูนย์มันจะมีอะไรเป็นสุขเวลานี้เธอถึงนิพพานสภาวะของเธอศูนยหรือเปล่า ก็กลาทูลว่าเวลานี้สภาวะอันเป็นทิพไม่ศูนย์พระเจ้าค่ะแต่ว่าร่างกายข้างในไม่ได้มาด้วยท่านบอกใัยแล้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายที่มันจะมีได้มันเป็นเปลือกของความชั่วความชั่วที่สร้างร่างกายคือกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม ในเมื่อเราออกจากร่างกายมาแล้วสิ่งตหล่านั้นแล้วหลทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ขาจกันไปที่แต่ทาคตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าจงอย่าสนใจร่างกายของเราเองอย่าสนใจร่างกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆเพราะว่าการสนใจมันเป็นกิเลสเป็นดั่นหาเพื่อปาทาน แล้วเราก็จะทำความชั่วคืออกุศลกรรมเวลานี้คือผ่านพ้นมันแล้วเออร่อรางกายที่บริสุทธิ์คิดว่าจะมานิพพานไหมก็ตอบท่านบอกไม่มาไม่มาแน่เพราะวาสนายานอ่อนท่านยังได้ทรงนริมิตรไม้ขึ้นมาสิบท่อนเป็นไม้ท่อนสันส้นๆประมาณแค่ศอกเป็นไม้ไผ่บางๆ ให้กระซงตัดเรียกพระขึ้นมาเก้าองค์พระที่เก้าองค์รู้สึกว่ารู้จักทั้งหมดเป็นครูบายาจากเก่าแต่รู้สึกว่าหลวงพ่อปานดูเมือนไม่มจะเป็นองค์ที่สามท่านมาถึงน้ำมสัส ก, การพระเจ้าแล้วไม่มีใครพูดโดยท่านยิ้มยิ้มหินหน้าที่ก็ยิ้มทั้งหมด้่านหยิบไม้คนองค์ละท่อนเดินแบกหายไปท่อนที่สิบ ไม่มีใครยกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจาึงบอกเธอจงยกเมื่อกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายกไม่ไหวกําลังใจมันไม่มี <c oughs> แต่งก็ทรงตัดว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คำขอร้องเธอต้องไปยกก็ตั้งใจคิดว่ามันคงจะยกไม่ไหวตั้งท่าตั้งทางคุกเขา่ายักแยยักยันจับไม้งัดขึ้นมาเต็มที่ แต่พอจับข้าตอนนี้รู้สึกไม้มันเบามากเหมือนกับเศษกระดาษที่ก็วางไว้ที่พื้นหยิบใส่บ่าได้กำลังมันมีทันทีก็เดินออกไปพอเดินไปไกลหน่อยสองสาวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ากลับมานี่วางไม้เสียเธอมีกำลังแล้วใช่ไหมก็ต่อไปใช่ไปเจ้าค่ะ ตรงยิงสอนแต่ว่าเธออาศัยที่ไม่พอใจในวิปาาัสนาญาณกำลังใจยังอ่อนวิปัสนาญาณยังอ่อนแต่ความจริงวิปัสนาญาณของเธอใช้ได้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจและความพอใจเธอจงกลับไปฝึกฝนวิปัสนาญาณให้เข้าถึงจุดจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกไม่ใช่ของเรา สวรรค์และฟมไม่เป็นแดนที่อยู่ของเราเราต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอารมณ์ใจที่เธอตัดสินใจว่าอะไรไม่มีในเราเวลานี้ร่างกายมันก็ยังจะพังทรัพย์สินส่วนอื่นไม่มีสําหรับเราเราไม่มีพี่เราไม่มีน้องเราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่ต้นนี้ไม่ใช่ ร, าาระบบอัตัญอู เป็นได้มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายมันก็ตายแต่ผู้เดียวไม่มีใครเข้ามาตายด้วยตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้จิตใจไม่ยึดถือในสิ่งทังหลายอันนั้นถูกต้องถูกต้องเธ อ, <c oughs> อจงกลับไปฝึกฝนใจในด้านวิปัสสนาญาณทำบารมีสิกให้ครบทนแล้วก็ทรงอิทิมบาสีให้มีความเข้มแข็ง พยายามมองดูสังโยตโดยเฉพาะอย่างยิสกายาทิติการเล่ายานนี้อาจจะไม่ละเอียดเหมือนในนาสีนุ่มหอบหานเพราะใเวลาในน้อยแล้วองค์สมเด็จพระพิธิตมารก็ทรงประทานให้กลับเมื่อกลับแล้วก็มีความรู้สึกตัวหลังจากวันนั้นนั้นมาก็รู้สึกอาการอื่นเสียดมันก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือ อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตายครั้งที่สามนับตันงแเวลานั้นเป็นต้นมาเพราะก็ต้องติดต่อพกพราะนิพพานเป็นปกติเพื่อสร้างกําลังใจแบบนั้นนักศึกษากำลังใดแบบเดิงคิดว่าถึงแม้ว่าจะหายโรคมนแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายมันจะพังทราบร่างกายคนอื่นไม่มีความหมายเห็นร่างกายของคนใดก็รู้สึกว่ามันเหมือนก็สุ่มเดินได้มองไปทีเหมือนากับอากาศมันในในไม่ชามันก็สลายตัวไปอันน <c oughs> ี้ก็มายึดถือในทรัพย์ถินใดใดทั้งหมดฉะนั้นพ่อจึงเป็นคนที่ไม่มีสมบัติสมบัติที่เปนโลกวัโลกวัตถุไม่มี จะมีอย่างเดียวคือสม บ, บัติที่เป็นธรรมวัตถุหรือว่าเป็นนามธรรมจิตใจรักพระนิพพานอย่างยิ่งเห็นว่าพระนิพพานมีความสดสวยงดามที่พ่อเรามาถึงตอนนี้เป็นการถอยหลังย้อนลงไปว่ากำลังใจของเราถ้าจะมีความอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมาก <c oughs> ถ้าจิตใจของเรา ม, มีความเข้มแข็งเภาสาัชกำลังสียให้ดีส่งพรมีอาหารศีให้เป็นปกติกำลั ง, งจิตมั่นอยู่ในอมภาวนาที่เรียกคำว่าสมาธิและจิตใจวางภาระของขันห้าเสียยังา ก, การตายครั้งที่เจ็ดทุกขเวทนามันหนักแต่ว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนา ่อมาเทียบอาการตายขั้นที่สามที่ทุกเวทนามันครอบงำมาทั้งสองปีเดินผอเผลงงไปงงมาเวลาไปตรวจงานบางทีก็ต้องนอนตรวจร่างกายมนุษย์ไม่ไหวร่างกายมันก็เต็มในความอดิดความเศดอาการณาเจียนก็เป็นปกติผิวกายก็ดำเครียดร่างกายก็ผอม จิตใจก็มีอารมณ์หวั่นไหวบ้างเป็นของธรรมดานี่สนแสดงว่าถ้าใจของเราต่ำแล้วไม่สามถ้าจะหักข้ามทุกเวทนาได้ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้ท่านี้ก็เป็นการแนะนำโลกว่าทุกเวทนามันจะครอบงมเรามากแลืว่าครอบงำเราน้อยมันก็โยู่ที่กำลังใจของเรา ว่ากำลังใจของเราทรงสมาธิจิตทรงวิปัสนาญาณได้ดีไหมถ้าดีมากจนงทั่งไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทุกเวทนามันมากก็เหมือนทุกเวทนาน้อยสิ่งที่มีความสำคัญก็คื อ, อนาปานุสติกรรมทานอันนี้อย่าทิ้ง <c oughs> อนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานระงับกรรยายสังขารคือเป็นกรรมฐานระงับทุกขเวทนาฉังนั้นเมื่อการตายครั้งที่เจ็ดท่บบานญญาจะมาบอกว่าคาถาที่ท่านให้คือนามบัตานโมหุธายะเป็นการระงับความทุกขเวทนาของคนอื่นได้ ก็ว่ากันตายก็ไม่ได้ให้โรคหายก็ไม่ได้แต่เป็นการระ ง, งับทุกขเวทนาได้ <c oughs> เราระ ง, งับคนอื่นเขาได้เราก็ระ ง, งับตัวเองได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องระ ง, งับทุกขเวทนาด้วยนะโมพทายะเพื่อจับอนาปานุสติาธรรมฐานเป็นอารมณ์นะโมพุทหายะหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าประองคนะคือพระกโกโก้สันโท โมคือพระโคนาคม พ, คพุทธคืพระุธกสุทาพระสมณะโคลมยะพระศีอาริยะเมตไตรตอนกลางคืนนี้พ่อน่อนลงไปลุงพุทธท่านมาเตือนพ่อก็จับคาถาบทนี้พระท้อไม่อืดมันเสียนเล็กน้อยเนี่ยมากว่ากันเหมือนความตายครั้งที่เจ็ดย้อนไม่นิดห่อพอจับคาถาบทนี้ก็ปรากฏเห็นองค์สมเด็จปัญจนาสีทั้งสี่พระองค์ เอพระกุโสรัตนโกโกนาคมพระพุทธกสตรพระสมณโคดมสมบพระอธิยะเมตรัยมาในภาพของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์มาในภาพของปามนุษย์ทรงแต่งฉัพนรังสีรัศมีอวการเหมือนกันหมดอาศัยอธิยะเมตรัยมาในภาพของเทวดา นึกในใจว่าเราภาวนาว่าอย่างนี้ทําไมเห็นองค์สมเด็จพระจินสีท่านว่ารู้ว่าระน้ำจิตถึงก็บอกว่าถ้าภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการเรียดฉันฉันก็ต้องมาก็กราบท่านเกรงว่าจะเป็นการประมาสแต่สมเด็จพระบรมมรรคกนราชสมบัติบาพระงหลวงปูสทนโธก็บอกว่าไม่ใช่ประมาสเป็นการนึกถึงฉันฉันมาสงเคราะห์ นี่เธอไม่ได้ใช้ฉันฉันมาส่งเคราะห์แต่ก็ตรงจัดเหมือนกันเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้าใครภาวนาว่าอย่างนี้ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ถ้าเขามีทิพยจุฬญาในใจเขาจ่มใสเขาจะเห็นได้ทุกคนว่าฉันมาครบคือพระพุทธเจ้าสี่พระโพธิสัตว์หนึ่งมาก็เพื่อบบเรื่อเป็นการบรรเทาหรือระงับทุกขเวทนาที่มีในร่างกาย แต่ว่าด้านจิตใจถ้ายึดอารมณ์อยู่นี้อย่างนี้ตายแล้วก็ไปนรกไม่ได้เหมือนกันอย่าภาวนาแต่เพียงกันตายภาวนาให้พระพุทธเจ้าช่วยโดยถ้ากำลังใจอ่อนก็ไปสวรรค์ถ้ากำลังใจมั่นคงก็ไปพรมลโลกถ้าจิตเราไม่นิยมโลกพอใจในพระนิพพานนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นเราก็ไปนิพพาน อัมดาลูกรักถ้าดำหลักพระองค์สมเด็จพระพบิดาแมนก็คิดว่าจะเป็นความดีของโลกควรใช้เป็นปกติสําหรับเทพหน้านี้ก็หมดแล้วพ่อจะพยายามเล่ารับต่อไปในเทพหน้าที่สองเพื่อจบลูกจะได้รู้กําลังใจว่าเวลาที่ป่วยเราควรจะทํำยังไงสําหรับเทพหน้านี้หมดก็ขอยุติว่าแตเพียงเท่านี้ขอลูกรักทุกคน จงมีความสุขสวัสดีทธิ์ใดที่องค์สมเด็จพระินาสีบรมศาส ด, สดาสมมาสมปรธเจา้ายทรงสอนไว้ขอลูกรักของพ่อซึ่งเป็นคนดีมีความกระตันอยู่กตเวทีเป็นอย่างหนักเจรียมบรลุธรรมในองค์สมเด็จพระสมมาสัมประเจา้ายทรงสอนไว้และเข้าถึงมรรคพันธุ์ทุกท่านทุกๆคนสวัสดี <c oughs> <c oughs>